เรื่องการดูสิ่งต่างๆในกายเป็นของเกิดดับนั้นค่อนข้างพูดยากเพราะขึ้นอยู่กับความแน่นอนของภาวะรู้เห็นในแต่ละคนเมื่อสามารถกวาดดูกายได้ด้วยวงแหวนอากาศเป็นปกติขอให้เจาะจงดูกายด้วยความเป็นอาการส2สสองตามลำดับที่พระพุทธองค์วางแนวไว้แล้วจะทราบเองว่าเราพิจารณาอะไรได้บ้าง บางคนเห็นอาการใหม่เริ่มทยอยแปลรูปเป็นอาหารเก่าก็นับว่าน่ายินดีบางคนเห็นทะลุปไปขนาดว่าเซลล์แบ่งกันได้ก็ควรอนุโมทนาแต่ไม่ใช่ตัวตัดสินว่าดีกว่าใครขอให้ดูความปล่อยวางเกิดขึ้นใครเห็นกลายเป็นของอื่นเป็นธรรมชาติเกิดดับไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครยึดกรองไว้ได้ ก็ให้ถือว่าคนนั้นประสบความสำเร็จในการปฏิบัติปฏิกุณมนสิการบัพอย่างแท้จริงเพราะรางวัลของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เหรียญทองแห่งการรู้เห็นทว่าเป็นนิพพานแห่งการปล่อยวางสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อรู้เห็นดังนี้เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเข้าไปตั้งสติวากายมี ก็เพียงสักแต่ว่ารู้เอาไว้รู้เพียงศักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกปัญหาและกิจเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกราพิษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลพิสุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอสรุปบทนี้มุ่งลดราคะให้ได้แบบวัตภา ไม่ต้องปฏิบัติภาวนาอย่างลำบากด้วยความรบ ก, กวนจากกราคะโดยอาศัยวิธีน้ายอกเอาน้าบ่งคือพลานอยู่ด้วยกายก็ใช้กายนั่นแหละดับความพลานในขั้นต่อไปของมหาสติปัฏฐานสูตรจะเห็นว่าพระพุทธองค์วางแนวทางดักราคะไว้อีกสองจุดใหญ่ๆจุดแรกในหมวดจิ ต, ตานุปัสสนานั้นท่านให้เห็นเป็นเพียงภาวะหนึ่ง หรือเป็นเพียงอาการหนึ่งที่จิตเกิดได้ดับได้ถ้ายังไม่ลุกลามมาออกอาการทางกายจุดต่อมาในหมวดธรรมานุปัสนาท่านให้พิจารณาปิดทางเข้าของกลามไว้ทั้งหมดซึ่งถ้าเรารู้ว่าสุดยอดแห่งการมคุณก็คือความพอใจก็ต้องระวังให้ได้ง่ายอันนี้ก็จะพูดถึงอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งข้างหน้านอกจากนี้ เราก็ยังเห็นว่าหากภาวนาบนพื้นยืนแห่งความเห็นชอบอย่างแท้จริงแล้วแม้ความดำริออกจากกามก็ต้องสมบูรณ์พร้อมอยู่ด้วยจิตเองไม่ใช่ว่าส่วนลึกของจิตยังคาดหวังยังมุ่งหมายในกามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่ซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นความสำคัญของปฏิโกณมณสิกการบับขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นกรรมฐานไม่ถูกอธยศสยและถอดใจนึกว่าข้ามๆไปก่อนคงไม่ถึงกับออกนอกทางมรรคผลที่ดีแล้วควรคำนึงว่าเราปฏิบัติมานานแล้วยังไปไม่ถึงไหนก็อย่าเพิ่งโทษส่งไปว่าตนเองบุญน้อยหรือลามปามกระทั่งเห็นวิธีของพระพุทธเจ้า คงกำจัดกิเลสไม่ได้จริงขอให้เร่งสำรวจว่าแค่จริงเราปฏิบัติสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าประธานแนวทางไว้ครบสูตรหรือไม่หากชะล่าว่าส่วนไหนของสูตรไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ก็ควรระหนักว่าการปฏิบัติแบบของเรายังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกรับรองไม่ได้รับใบประกันเต็มขั้น จากพระพุทธองค์หมดสิทธิตำหนิแนวทางของท่านว่าทำแล้วไม่สำเร็จมักผลเช่ทีอาจต้องไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามแนวกิเลสบอกผลก็มักออกมาตามกิเลสคุมเช่นกัน บทที่8กายานุปั ส, สนาธาตุมนสิการบบบพุทธพสดูกราพิสุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือพิษุย่อมพิจรารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นาธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ขยันฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วน นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งฉันใดพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นาธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่งพันานามาชนีภิษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกาย ในกายทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเลื่อมใสในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากายมีก็เพียงสักแต่ว่ารู้เอาไว้เพียงสักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้ไม่ตัดไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกโดูกระพิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลพิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ บทก่อนเราตั้งมุมมองไว้ว่ากลายเป็นสิ่งน่ารังเกยียจบทนี้ตั้งมุมมองว่ากลายเป็นของที่ประชุมชื้นก่อรูปก่อร่างด้วยองค์ประกอบต่างๆอันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนมั่นหมายความว่าแม้บทก่อนจะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ร่วมกันแต่น้ำหนักก็จะเทไปที่งานสมถะคือกําจัดหรืออย่างน้อยลดราคะลงแบบ ว, วบ่วภา จากเดิมที่เคยเกาะกลุมหัวใจมนุษย์ทุกรูปนามอยู่แทบทุกขณะจิตให้เว้นวักเว้นว่างนานพอที่จะเอามาภาวนาเต็มที่ส่วนเป้าหมายของบทนี้จะมีน้ำหนักเทไปกับงานวิปัสสนาก็คือโดยหลักมุ่งกำจัดความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่งในกายนี้มีความเป็นตัวเป็นตนดังที่พระพุทธองค์ตรัส ยกการพิจารณาท่าสีไว้เป็นวิปัสนาญาณในสามัญญผลสูตรความว่าเมื่อภิกษุมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสเคลื่อนเศ้าหมองอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเพื่อย่ำรู้ชัดว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสีเกิด แต่มานดาปิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฝืนขออภัยนะคะต้องนวดฟันมีอันทําลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาแล้วอินยานของเราก็อาศัยอยู่ในกายนี้ตลอดบทปัจจุบันและบทที่จะตามมาต่ อ, ตอไปขอให้เข้าใจว่าเมื่อ ได้ใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่จะหมายเอาท่าสี่อันได้แก่ดินน้ำไฟลมทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ขึ้นอยู่กับที่ใช้แต่ถ้าหมายจะเอาว่ากายนี้เป็นรูปก็เหมาะจะอ้างถึงมหาภูตรูปส่วนท่าที่ใด จะแจกแจงกายโดยความเป็นธาตุที่ประกอบกันก็เหมาะจะอ้างถึงธาตุติน้ำไฟลมเป็นต้นหมายเหตุเอาไว้ในเบื้องต้นนี้อีกประการหนึ่งคือขอให้ทราบว่าธาตุในทางเคมีกับธาตุในทางธรรมนั้นต่างกันธาตุในทางธรรมนั้นหมายเอาเฉพาะองค์ประกอบที่กําหนดรู้ได้และเมื่อรู้แจ้งแล้ว ก็สามารถละวางความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนลงเสียไม่ใช่การทำความรู้จักธาตุทางเคมีร้อยกว่าชนิดในจั ก, กรวาลตลอดจนธาตุที่อาจถูกสังเคราะห์ขึ้นได้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของมนุษย์แต่อย่างใดจุดผสมของธาตุมนศิการบับเมื่อรู้กายโดยความเป็นธาตุสี่ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นที่รู้จักรูปตามจริงหรืออีกนายหนึ่งย่อมไม่เห็นกายตามอัตโนมัติว่าเป็นมนุษย์ไม่เห็นกายโดยความเป็นทิศตั้งแห่งอัตตาตัวตนเราเขาว่าจะเห็นดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโคปาละกะสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบหความว่าดูกราพิสูตทั้งหลายพิสุรู้จักรูปอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้รูปอย่างใดอย่างหนึง่งตามเป็นจริงว่าเป็นมหาภูทธรูปสี่และรูปอาศัยมหาพูตรูปสี่ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้จักรูปอย่างนี้แหละในทางสมถะนั้นเมื่อศึกษาและฝึกฝนให้เกิดสติรู้กายโดยความเป็นธาตุสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น ก็คือจิตอันเป็นกลางหรือจิตอันเห็นกายเสมอด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอันเป็นภายนอกไม่มีสำนึกรู้สึกถึงเส้นแบ่งระหว่างกายอันเป็นภายในกับธรรมชาติภายนอกทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระราหุนไว้ในมหาราโหุโลวาทสูตรความว่างโดก ร, ราหุน เธอจงฝึกทำจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอฝึกทำจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ดุกระราหุนเปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดิน แผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงฝึกจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นเพราะเมื่อเธอฝึกจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ส่วนในทางวิปัสสนาการรู้กายโดยความเป็นมหาโพธรูปย่อมเปิดโอกาสให้พิจารณาธรรม ขั้นสูงขึ้นด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามจริงเช่นในสัตตถฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้มีความว่าดกราภิกสุทั้งหลายก็รูปเป็นชไหนมหาภูตรูปสีและรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร ความดับแห่งรูปย่อมมีพระความดับแห่งอาหารอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นทางดำเนินถึงความดับสนิทแห่งรูปความสุขสมนัตอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปการกาจัดฉันทราคะ กาละฉันทราคะในรูปเจ้าได้นี้เป็นอุบายเคลื่อนสลัดออกแห่งรูปเมื่อเห็นรูปด้วยปัญญาระดับคิดนึกแล้วก็แทงตลอดไปได้เห็นด้วยตาปัญญาระดับประจักษ์แจ้งไร้กังขาพระพุทธองค์ทรงจัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วกับทั้งอย่างลงในทางอมตะที่พระองค์ท่านค้นพบ และบัญญัติไว้ส่วนใครทำได้ขนาดคลายความยินดีตลอดจนหลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นในรูปทั้งปวงอย่างนั้นชื่อว่าเศรษกิจอันควรทำเพื่อพ้นทุกวงจรอุบาตแห่งทุกย่อมไม่ปรากฏแก่เขาผู้นั้นอีกเลยสรุปว่าเมื่อศึกษาและฝึกพิจารณากายโดยสักเตอว่าเป็นธาตุแล้วย่อมหนึ่งมีสติ รู้สึกกายโดยความเป็นรูปตามจริงไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นก้อนอัตภาพมนุษย์ก้อนอัตตาของเราข้อสองในระดับสมถะย่อมทำจิตให้มีความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายตามภาษะอันฉับฉวยทั้งปวงที่ปรากฏในโลกข้อสในระดับวิปัสสนาย่อมเป็นฐานพิจารณาธรรม ประการต่างๆจนหมดจดจากความสงสัยและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอย่างเด็ดขาดเสียได้ในที่สุดความยความเชื่อมโยงกับบับก่อนหน้าบทก่อนเราได้ทำความเห็นกายโดยความเป็นอาการ32สองทั้งในแบบที่นึกคิดจินตนาการเปรียบเทียบเอา และทั้งในแบบที่ยังรู้เข้าไปเห็นด้วยจิตตรงๆซึ่งก็จะเป็นฐานการพิจารณาธาตุได้อย่างดีดังที่ในมหาราหุโรวาทสูตนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกแจงไว้พอเทียบเคียงกับอาการสามสิบสองบางส่วนขอให้พิจารณาตามเนื้อธรรมที่พระองค์ทรงยกแสดงดังนี้ธาตุดิน ดูกระราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบลักษณะแค่นแข็งอันกรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกมันสมองม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าปัวีธาตุภายในก็ปัวีธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีย่อมเป็นปัวีธาตุเหมือนกันปัวีธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้พระเพราะว่าบุคคลเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในปัทวีธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในปัทวีธาตุธาตุน้ําโดกราราหุนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตน เป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันก ร, รมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือดีเสลศษน้องเลือดเงือมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อปัสวะหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในอนาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรเรียกว่าอาโปาธาตุภายใน ก็อาโปาธัต์เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีย่อมเป็นอาโปาธาตเหมือนกันอาโปาธาตนั้นคือเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แล้วก็ย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาต จิตย่อไคลกำหนัดในอาปโอธาตธาตุาไฟดูกระราหุนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบปุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เผาอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในอาศัยตนเป็นตดเป็นเตโชก็มีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดีย่อมเป็นเตโชทาตเหมือนกันเตโชทาตนั้นเธอพึงเห็นด้วยด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นเตโชทาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบอร์นายในเตโชทาตจิตย่อมคลายกำหนัด นายเตโชทาตธาตุลมโดกระราหุนสิ่งใดภายในอาศัยตนเป็นวายโยมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่น คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าวายโยธาตภายในก็วายโยธาต เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีย่อมเป็นวายโยธาตเหมือนกันวายโยธาตนั้นคือพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้พระ บ, บุคคลเห็นวายโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตจิตย่อมกลกำหนัดในวาโยธาต สรุปคือการรู้กายโดยความเป็นอาการสาสองจะเป็นพื้นรองรับให้เห็นกายโดยความเป็นธาตุสี่ได้อย่างดีนอกจากนี้บทก่อนเ ร, ร า, ยายังฝึกอากาศกรสินขออภัยค่ะเมื่อบทก่อนนั้นเรายังได้ฝึกอากาศกรสินและเอาความรู้ อากาศเข้าไปส่องดูรายละเอียดในกายบ้างแล้วย่อมสามารถต่อยอดเป็นการพิจารณาท่าที่ละเอียดขึ้นไปอีกลำดับหนึ่งดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้ด้วยกับท่าทั้งสีเบื้องต้นดังนี้ดุกระระลาหุนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างปรุโปรงอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือ ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอซึ่งเป็นทางให้เกลือนของกินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและช่องสำหรับถ่ายอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มออกเบื้องล่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึกเป็นช่องอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายในอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าอากาศธาตุภายในก็อากาศธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีย่อมเป็นอากาศธาตุเหมือนกันอากาศธาตุนั้นเพอเธอนั้นเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นนั่นนันไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ เพราะ บ, บุคคลเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุจิตย่อมใครากำหนัดในอากาศธาตุสรุปแล้วเมื่อผ่านปฏิโกณมณสิการบับมาได้ก็แค่พลิกจิตคือพิจารณาสภาวะหรือรายละเอียดแตกต่างไปอีกนิดเดียวก็ขยับขึ้นมาโซธาตุมณสิกการบับเต็มขั้นแล้วและถ้ารู้ การโดยความเป็นท่าสี่กระทั่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งในเชิงสมถะและวิปัสนาก็เป็นอันว่าบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของแบบนี้โดยสมบูรณ์เมื่อฝึกจนจิตรู้กายโดยสักแต่เป็นสภาพแข่งแข็งสภาพอับอาบสภาพร้อนสภาพพัดไหวและสภาพช่องว่าง จิตจะรู้ซึ้งจำชัดว่าลนะักษณะอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนั้นเป็นอย่างไรกล่าวคือเราจะเห็นว่าเพระาะธาตุต่างๆปรากฏอยู่จึงมีที่ตั้งของกรรม <c oughs> เช่นเพราะด้วยกระดูกขากันไกลลิ้นและช่องว่างในปาก คนเราจึงขยับพูดจาดีร้ายได้ต่างๆหรือเช่นด้วยผมขนเล็บฟันหนังอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งเพศตรงข้ามมีอยู่กิเลสความกำหนัดจึงได้อาศัยความเกิดซึ่งเมื่อเรารู้ทันเสร็จแล้วว่าธาตุต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ไม่ไม่ใช่ตัวต น, ม, ม, ม, ตวตนมีความเสมอกันทั้งภายในและภายนอกมุมมองจะต่างไปแม้ยังต้อง เกี่ยวข้องกับธาตุทั้งหลายจิตก็ปราศจากความยึดเหนี่ยวปราะศะจากอาการเพ่งมองใน ล, ลักษณะอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสปัญหาใดๆตรงข้ามชีวิตมีอยู่ก็เพื่ออาศัยธาตุทั้งหลายนั่นเองเป็นหลักถอนกิเลสและความยึดมั่นเช็ตแทนอุบายรู้ธาตุภายในและภายนอกเสมอกันที่กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นนั้นจะเป็นการนําเอาปฏิโกณมนสิกการบัพ มาเป็นพื้นยืนกล่าวคือถ้าใครพิจารณากายเป็นของโสโครกมาแล้วในระดับความคิดก็จะเห็นอวัยวะที่โสโครกเหล่านั้นโดยความเป็นธาตุในระดับความคิดส่วนถ้าใครพิจารณากายเป็นของโสโครกมาแล้วในระดับเจโตสมาธิก็จะเห็นอวัยวะที่โสโครกเหล่านั้นโดยความเป็นธาตุในระดับเจโตสมาธิเช่นกัน ถึงตรงนี้ก็จะกล่าวถึงอุบายวิธีให้รู้กายโดยความเป็นธาตุอย่างง่ายๆสําหรับผู้ที่ยังไม่ชํานาญในปฏิกูลมนุิการบับและสําหรับผู้ที่ชํานาญแล้วกับพร้อมพิจารณาธาตุภายในและภายนอกโดยความเป็นธรรมชาติที่เสมอกันโดยวิธีนําลักษณะของธาตุหนึ่งๆมาอาศัยเป็นที่ตั้งจิตแล้วขยายขอบเขต การพิจารณาปัิวีธาต์ตั้งกายตรงสำรวจจิตว่ามั่นคงมีความโปร่งเบาพอสมควรแล้วจึงปิดตาให้ความรับรู้อยู่ที่ฟันซึ่งขบกันเล็กน้อยพอให้รู้สึกถึงลักษณะความแข็งอย่าถึงขนาดกัดฟันอย่าเน้นสำรวจเป็นซี่ๆแต่ให้จับเฉพาะ ความแข็งทั้งหมดที่รู้สึกได้จากการขบแตะฟันเพียงเล็กน้อยประคองความรู้สึกแข็งไว้จนจิตไม่เคลื่อนไปไหนแล้วจึงกำหนดทิศเบื้องหน้าเอาเพียงระยะสั้นก่อนแต่ขอให้มีตำแหน่งที่แน่นอนเช่นผนังท้องหรือวัตถุกใกล้ๆอย่างที่เคยผ่านมาแล้วครั้งฝึกอากาศกะสินขอให้ใช้ความรู้สึก ขอให้ใช้ความรู้ลักษณะแข็งกับความรู้ระยะที่ทิศทางควบคู่เป็นอันเดียวกันจะเหมือนสภาพความแข็งแผ่กลุมออกไปเบื้องหน้ารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อเห็นว่าสามารถนิ่งได้กับความรู้สภาพแข็งในทิศเบื้องหน้าอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีกระทั่งเหมือนขอบเขต ความแข็งยึดขยายออกทะลุผนังหรือวัตถุเบื้องหน้าไปเองได้ให้คงความรู้สภาพแข็งอันเดิมไว้แล้วย้ายพิบไปนึกถึงผนังหรือวัตถุด้านขวามือโดยตา